พเราภาวนากันบางคนก็ทำมาเป็นปีแล้วบางคนก็เพิ่งเริ่มจุดสำคัญคือเราไม่อยู่กับที่มันต้องมีพัฒนาการมีพัฒนาการก็ไม่ได้เนืกอเอาเองว่าแบบไหนพัฒนาเราดูคุณภาพจิตใจของเราศีล ส, สมาธิปัญญาเราดีขึ้นไหม เคยทุ่ศีลทำผิดศีลง่ายศีลดีขึ้นก็ถือว่ามีพัฒนาการจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมั่นได้ความสงบได้ความตั้งมั่นก็มีพัฒนาการไม่เคยแยกธาตุแยกขันได้ก็แยกเป็นเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเห็นเวทนาแยกออกไปไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเห็นสังขารแยกออกไปไม่ใช่จิตออันนี้ก็มีพัฒนาการ พอเห็นขันมันแยกแล้วขันแต่ละขันแสดงใจลักษได้ยิ่งพัฒนามากพอเห็นขันแสดงความจริงให้ดูแล้วใจเป็นกลางวันนี้พัฒนาขีดสุดแล้วนะการปฏิบัตินะภาวนากันจนถึงจิตมันเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นกลางเพราะปัญญาเพราะมันเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ำอีกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นี่เราวัดความก้าวหน้าด้วยคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเห็นโน้นเห็นนี่หรอกไม่ใช่ว่าต้องเห็นแต่สภาวะละเอียดละเอียดเก่งบหยาบไม่ใช่สภาวะที่ละเอียดหรือสภาวะที่หยาบแสดงใจรักเท่าๆกันจุดสำคัญก็คือใจยอมรับความจริงไหมว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทุกอย่างเป็นใจรักจุดสาคัญอยู่ที่ใจยอมรับความจริง ไม่หลงยินดีไม่หลงยินไล่แต่สภาวะจะหยาบหรือจะละเอียดนั้นเท่าเทียมกันหมดบางคนไปวัดโอ้ทำไมฟังคนอื่นส่งกันบ้านนะเขาละเอียดยิบเลยเราทําไม่ได้อย่างเขาฉลอยเราจะภาวนาไม่ดีไม่ใช่นะนี่เราก็มาสํารวจตัวเองวันเวลาที่ผ่านไปในรอบไตรมาสในรอบปีเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมทําผิดศีลได้หน้าตาเฉยเหมือนเดิมไหม หรือทำแล้วรู้สึกละอายใจถ้าเดิมไม่เคยละอายใจแล้วเกิดความละอายใจเวลาทําผิดศีลก็ถือว่ามีพัฒนาการแนละ้นี่เมื่อปีกลายละอายใจที่ทําผิดศีลแต่ยังทําอยู่ปีนี้ละอายใจที่ทําผิดศีลแต่ยังทําอยู่ถือว่าไม่มีพัฒนาการแนละมันต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อค่อยฝึกค่อยฝึกโดยเฉพาะในขั้นการเดินปัญญาฝึก จนกระทั่งเห็นความจริงเห็นไตร ล, ลักษณ์ของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตัวจิตวิญญาณก็คือจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณจิตทําหน้าที่หลายอย่างจิตทําหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจิตทําหน้าที่เกิดจิตทําหน้าที่ตายจิตทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์ เสพอารมณ์เลสารพัดทาหน้าที่ได้หลายอย่างแต่จิตที่ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณนะงั้นแล้พูดถึงวิญญาณาขันเนี่ยไม่ใช่จิตดวงเดียวเฝ้านิ่งอยู่ที่เดียวนะเฝ้าอยู่ตัวเดียวก็ไม่เรียกว่าไปดูรู้ทันกองขันคือวิญญาณหรอกเราเห็นในจิตเกิดดับอยู่ทางตะวันทั้ง6นะั่นถึงจะเห็นวิญญาณ ค่อยๆฝนะึกใจเข้าใจแล้วใจค่อยเป็นกลางจากคนไม่เคยเห็นสภาวะก็ได้เห hmm? ็นสภาวะอันนี <feature'> ้ก <'s> ้าวหน้าขึ้นพอเห็นสภาวะแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะนี่ก้าวหน้ามากขึ้นพอเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะแล้วเป็นกลางต่อสภาวะนี่ก้าวหน้ามากเลยตัวที่ความเป็นกลางต่อสภาวะด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผล ก่อนที่จะบรรลุมรรคผลได้สีจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางครูบาอาจารย์บางองค์นะคุยกับท่านนะท่านใช้ศัพท์แดกดีคุณแม่จันดีท่านใช้คำว่ามัชิมามัจิมาจริงๆก็เป็นกลางนะกลางตัวนี้ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับสภาวะก็มีปัญญานี่จะมีปัญญาได้เราเห็นสภาวะบ่อยๆ เป็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะไปเรื่อยเลยนะแล้วเขาเป็นกลางเขาเองไม่ต้องสั่งให้เป็นกลางพวกเราพอจะวัดได้ไหมว่าเราก้าวหน้าขึ้นไหมในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไนใครรู้สึกว่าดีขึ้นบ้างยกมือซิมีไห ม, มใครรู้สึกว่าเลวลงมีไหมอย่างน้อยอยังไม่มีนะคอยดูสภาวะได้ๆนะไม่ใช่เรื่องยากอะไร ทุกคนสามารถเห็นสภาวธรรมได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ไม่สนใจที่จะดูอย่างความสุขความทุกข์นี่เป็นสภาวธรรมใครๆก็รู้จักความสุขความทุกข์โลบโกลดลงใครๆก็รู้จักนี่คือตัวสภาวธรรมใครๆก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้ไม่เห็นความสำคัญที่จะรู้มันสำคัญนะถึงขนาดที่จะพาเราจากปุถุชนเนี่ยไปสู่ความเป็นพระอริยะได้ การที่เราเห็นความจริงของสภาวะนี่นะไม่มีหรอกพระอริยะที่ไม่ได้เห็นความจริงของสภาวะบางองค์บารมีท่านมากนะท่านฟังนิดเดียวท่านปิ๊งเลยเห็นความจริงของสภาวะอย่างพระสารีบุตรตอนเป็นอุปติสสะเป็นปริพาชกได้ยินพระอาสิจิพูดธรรมะบอกทำใดเกิดจากเหตุพระตาาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้น พระตถ า, าคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้สอนเรื่องอย่างนี้เราฟังแล้วก็งันๆ น, นะสารีบุตรฟังแล้วรู้เรื่องอริยสัจสี่ประโยคของพระอาชาชีนี่แหละสอนออกมาเป็นคำสอน3าประโยคนะเป็นคําสรุปประโยคนึงบอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุธรรมใดเกิดจากเหตุประโยคที่2พระตถ า, าคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น ประโยคที่3พระตถ า, าคตเจ้าแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นอันที่สี่เป็นคําสรุปเพราะพุทธเจ้าธรรถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้งั้นปกติของพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอริยสัจเดี๋ยวปกติของท่านก็คือสอนอริยสัจนั่นเองทำใดเกิดแต่เหตุอะไรที่เป็นธรรมที่เกิดแต่เหตุรูปกนามขันหอายตนะหกทาสิบแป อินทรีย์ยี่ธรรมที่เกิดจากเหตุก็คือรูปนามรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายนี่แหละคือธรรมที่เกิดจากเหตุสภาวธรรมมีสามอย่างคือรูปนามกับนิพพานนิพพ า, านไม่ใช่ธรรมที่เกิดจากเหตุเป็นธรรมที่ไม่มีเกิดไม่มีดับงั้นธรรมใดเกิดจากเหตุภาษารีบุตรฟังแล้วปิ๊งเลยรูปกนามเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น เนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดลอยๆนะต้องมีเหตุให้เกิดรูปนามก็ต้องมีเหตุให้เกิดเพราะพุทธาคตเจ้าแสดงความดับไปของเหตุถ้าถ้าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับฉนั้นไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวตนถาวร อ, อยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรเนี่ยพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องอย่างนี้ท่านฟังเท่านี้ได้พระโสดาเลยเขาแจ้งแล้วว่ารูปนามนี้ ไม่ใช่ตัวตนถาวรรูปนามนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับคือมันเป็นอนัตตานั่นเองท้าชีท่านเก่งนะแสดงธรรมะให้พระสารีบุตรฟังนะแสดงถึงอนัตตาก็สอนอยู่ในเรื่องอริยสัจนั่นเองอะไรเกิดจากเหตุรูปนามเกิดจากเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดรูปเกิดนามให้เกิดตัวทุกข์เหตุตื้นต้นก็คือตัวตัณหา เหตุลึกซึ้งลงไปก็คือตัวอวิชชาความไม่แจ้งอริยสัจอะไรเป็นความดับของมันความดับซึ่งตันหาก็คือดับเหตุของตัวทุกข์ของตัวรูปตัวนามดับลึกซึ้งลงไปก็ดับอวิชชาดับความไม่รู้อริยสัจเนี่ยคนท้ามีปัญญามากนะมีบารมีมากก็ฟังธรรมะา น, นิดเดียวเขาก็บรรู้แล้วเราฟังแล้วเราก็อย่างนั้นๆ น, นะท่องๆไว เป็นพลาก็ท่องไ้สอบนักธรรมสอบเสร็จแล้วก็ลืมบางองค์ลืมเร็วนะเข้าห้องสอบก็ลืมหมดแล้ว <c oughs> น่าสงสารพวกเราบารมีแค่ไหนไม่รู้นะแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าฐานเดิมไม่เท่ากันก็จริงนะแต่คนไหนอินทสียอ่อนบารมีอ่อนสะสมมาน้อยก็ขยันหน่อยสิสะสมให้มากมันก็ทันเพื่อนหละ ถ้าไม่สะสมว่าไม่ทันบางคนอินทรีย์แก่กล้านะั้นเขาฟังทำนิดเดียวจิตเขาถอดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ละตั้งมั่นขึ้นมาเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันอัตโนมัติเลยบางคนให้รู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมายัางยากเลยพอตื่นแล้วธาตุขันก็ไม่แยกอีกต้องหาทางช่วยให้แยกต้องพิจารณาแยกเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ไปอิจฉากันนะ การเรียนกรรมฐานนะั้นไม่ได้แข่งกับคนอื่นสู้กับความไม่รู้ของเราเองคนเดียวเท่านั้นแหละคนอื่นยังไงก็เเรื่องของเขาอย่างบางคนได้ยินเขาส่งกันบ้านนะทอแท้ใจหรือส่งอะไรว่ายากจังเลยอย่างเมื่อวานนะั้มีผู้หญิงคนหนึ่งใครมาเมื่อวานมีไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งมาส่งแล้วเขาเห็นเลยว่าอาดีตไม่มีอะไรหรอกอดีตเป็นความจาเป็นตัวสัญญา กขเห็นอีกนะอนาคตไม่มีอะไรหรอกเป็นตัวความคิดเป็นตัวสังขารปรุงไปก็เห็นอีกว่าปัจจุบันไม่มีจริงมีแบบภาพดวงตาที่เห็นถึงขนาดนี้นะเมื่อจิตสว่างขึ้นมาแต่เสร็จแล้วไม่ได้ธรรมะหรอกอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปลือนะว่าได้ธรรมะแกเกิดกลัวขึ้นมาเกิดเสียดายขึ้นมาก่อนว่าตัวตนเราไม่มีแล้วละ่ะเสียดายอะไรอวรนห่วงแหนในตัวตนมันรุนแรง จิตเป็นถอนอยังไม่ทันจะเกิดอริยมรรคจิตเป็นถอนสั ก, ก่อนถ้ายินรีแก่กล้าพอนะไม่หวงแหนรู้ว่าไม่มีตัวมีตนก็ไม่ได้โตกตกใจนะตามรู้ตามดูไปกระบวนการของมรรคมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยจิตไม่เป็นกลางนึกออกไหมจิตไม่เป็นกลางยังยินร้ายต่อความไม่มีตัวตนอยู่พอไปเห็นสภาวะแล้วว่าสภาวะแสดงแล้วรูปนามทั้งหลายนะเป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตน แต่จิตไม่เป็นกลางจิตยังยอมรับไม่ได้นะพอจิตไม่เป็นกลางอริยมรรคเลยไม่เกิดเฉนั้นตัวต้องสะสมไปเรื่อยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยนะดูรูปดูนามซ้ําไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตมันพอมันเป็นกลางมันยอมรับได้ว่าตัว ต, วตนไม่มีอย่างปุถุชนเนี่ยยอมรับไม่ได้ว่าตัวตนไม่มีนะ ห, ห่วงแหนเสียดายรักใครอย่างเหนียวแน่นที่สุดเลย ถ้าตัวเราไม่มีแล้วจะอยู่ไปทําไมใครจะหาความสุขใครจะเสพความสุขนีหรือบางคนก็เกิดมิจฉาทิฏฐิต่อไปเลยเอา้าวถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีตัวตนเราทําชั่วอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะรับความชั่วนั้ น, เ, นเราก็ไม่เดือดร้อนทําความชั่วอะไรก็ได้จะปล้นฆ่าข่มขืนอะไรได้หมดเลยตามใจกิเลสได้เพราะไม่มีตัวตนไอ้นั้นไม่มีแบบมิจฉาทิฏฐินะไม่มีแบบมิจฉาทิฏฐิเรียกนัตติกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลย บอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็มีคําว่านักตาคําว่าไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยคําว่านักตาหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอานาจสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเพราะฉะั้นเมื่อเหตุแห่งความสืบต่อพบสืบต่อชาตินะมีจิตที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปจิตดวงนี้ทํากรรมไว้จิตต่อไปก็ต้องรับกรรมนี่อาจจะเป็นขณะจิตต่อไปนี่แหละที่จะต้องรับกรรมกนะ็แล้ว หรือว่าขณะโน้นโน้นต่อไปอีกไกลๆหรือไปชาติต่อไปหรือไปชาติโน้นต่อไปอีกหลายๆชาติถือจะรับกรรมก็เป็นไปได้ดีกรีของการรับกรรมนั้นไวไม่เท่ากันกรรมแต่ละตัวแต่ละตัว <c oughs> บางตัวกรรมรุนแรงให้ผลเร็วให้ผลในปัจจุบันกรรมบางตัวอ่อนหน่อยก็ให้ผลในชาติต่อไปกรรมบางตัวอ่อนมากๆนะให้ผลในชาติถัดถัดไปน้นเลยทไมเทวทั์ ทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้านะแล้วอยู่ไปจ น, นแก่เลยนะอยู่หลายปีหลอกตั้งแต่อาชาติศัตรู ย, ยังเป็นเด็กนะหลอกตั้งแต่เป็นมกุกราชกุมารนนะั่งก่อจะถูกทรณีสุบเนี่ยอยู่กันนานหลายปีทำไมสุบช้า mm hmm. พระเจ้าสุปปาพุทธะพ่อตาพระพุทธเจ้าบ้านนี้นะทั้งพ่อทั้งลูกชายถูก ธรณีสุบทั้งคู่เลยสุบพระพุทธาเห็นพระพุทธเจ้าบินทบทัตออกไปขวางนะไม่ให้ท่านไปบินธบัติท่านก็เดินหลบนะแต่ตอนอื่นมันก็ไปขวางอีขวางไปขวางมาท่านยิ้มนะท่ก็เดินกลับวัดท่านไม่ได้บินธบัติหรอกแต่นั่นถูกธรณีสุบใช้เวลานิดเดียวทำไมสุบไม่เท่ากันสูบเร็วไม่เหมือนกันใครตอบได้บ้าง หลวงพ่อตอบไม่ได้ดูแต่ว่ามันเป็นกรรมหนักเนี่ยกรรมหนักมากๆเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นอาชินไตนะไม่ใช่ภูมิที่สาวกจะรู้เรื่องของสัพพัญยุตยานของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สาวกจะรู้ได้เรื่องของกรรมเนี่ยไม่ใช่ภูมิที่สาวกจะรู้แจ้งสาวกจะรู้ได้ไม่หมด เพ้บางทีกรรมก็ให้ผลเร็วกรรมก็ให้ผลชา้าแต่ยังไงก็ให้ผลเราไม่มีหน้าที่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณเสียเวลานะมีหน้าที่เรียนรู้ความจริงลงไปดูรูปดูตามก็ทํางานไปเรื่อยเห็นกายเห็นใจทํางานไปจิต ด, ดวงนี้ทํากรรมนะแต่ต่อไปต้องรับกรรมจะรับเมื่อไหร่ไม่แน่ที่มีตัวแปรตัวอื่นอย่างบางคนนะ ทำบุญด้วยการรักษาศีลอย่างดีเลยเกิดมาสวยเช้งเลยนะแต่ไปเกิดในยุคที่กําลังกะลียุคกําลังเผาบ้านเผาเมืองลบราค่าฟันกันรุนแรงนะความสวยไม่มีประโยชน์เลยหรือบางคนฝึกฝนจเจริญปัญญามาเกิดมานะ่ฉลาดมากเลยแต่เกิดในยุคที่เขากําลังรุนแรงเขาไม่ต้องการคนฉลาดเขาต้องการคนแข็งแรง กรรมให้ผลมานะั้นแต่มันมีตัวอื่นมาตัดร้อนมีแฟกเตอร์อื่นมาตัดร้อนนะนั้นเรื่องของกรรมนะั้นลึกล้ำมีเงื่อนไขมากมายเลยเรื่องมีสมบัติกัมีวิบัติสอย่างนะค่อยไปห า, อาเอาเองนะท่านจันประยุทธ์ท่านก็เขียนไว้นี่พวกเรามีหน้าเทียนเดียวแหละเรียนรู้ความจริงของรูปนามให้มากๆไหม เรียนไปเรเรารู้เลยว่าตู้อย่างมาจะเหตุถ้าเหตุดับมันก็หายไปอะไรเป็นเหตุของรูปนามที่ทำให้เราเกิดเหตุที่ทำให้เกิดรูปนามนี้ให้ตัวปิ ญ, ญานทำให้เกิดรูปนามนี้เมื่อรูปนามนี้สืบต่ออยู่อะไรเป็นเหตุให้รูปให้นามแต่ละขณะแต่ละคราวแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันไปก็มีเหตุ มีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหามีตัณหามีอุปาทานมีพพมีชาติมีการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตจิตจะดีบ้างจิตจะเลวบ้างอาศัยผัสสะเป็นตัวตั้งอะไรงี้ยนะค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปสิ่งทัหายมีเหตุทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่ลอยลอยมาเกิดแล้วไม่มีอะไรที่ฟลุ๊กสังเกตไหมหลวงพ่อไม่เคยพูดคาว่าโชคดีโชคร้ายเลยสึกไหม ในใจไม่เคยมีคําว่าโชคดีโชคร้ายตั้งแต่เป็นคารวาสนะยังมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตหลวงพ่อไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าไม่เคยพูดคํานี้มีด็อกเตอร์คนหนึ่งเขารวยทํางานอยู่อเมริกานะไม่กี่ปีแนละ้วมีเงินเป็นร้อยล้านเลยเขาบอกเนี่ยเขาพบว่ามาคุยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อแปลกกว่าคนอื่นอย่างคนอื่นจะบอกว่าเขาโชคดีจังเลยเนะโชคดีที่ เก่งโชคดีที่มีโอกาสไปอยู่อเมริกาทำมาหากินเก่งเขียนซอฟต์แวร์เก่งอะไรเงี้ยบอกมาคุยกับหลวงพ่อไม่เห็นพูดคาว่าเขาโชคดีเลยไม่จริงๆไม่มีหรอกโชคดีมีแต่ชื่อชื่อคนว่าโชคดีมีมีคนชื่อโชคร้ายบ้างไหม <c oughs> ไม่ค่อยมีนะยังไม่เคยได้ยินแต่ชื่อแปลกๆ ก, ก, ก็มีนะหลวงพ่อไปที่สุริน มีลุงคนหนึ่งเป็นมรคนายกวัดบุรพารามวัดทองหลงปุ ด, ดูนะอายุตั้งแปดสิบแปดสิบเอ็ดแก่ชื่อลุงส่งกลิน่นแก่ชื่อส่งกลิ่นนะชื่อเป็นคำกริยาแปลกนะส่วนมากเขาชื่อเป็นคำนามใครรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวดูกายทำงานดูใจทำงานถึงวันหนึ่งมันก็พัฒนาค่อยๆก้าวหน้าไปเราจะพบว่าไม่ยากหรอก ไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องโชคดีมีแต่เรื่องที่ต้องทำเอาเองทั้งสิ้นน้ำพักน้ำแรงทั้งนั้นเลยจะดีหรือจะเลวจะบรรลุมากผลหรือไม่อยู่ที่ตัวเองต้นตุนทำมามากก็เพราะว่าเขาทำมามากชาญนี้เขาง่ายก็เพราะมีเหตุดีคือเขาทำมาเยอะเราทำรู้สึกยากยากทำมาหลายปีแล้วยังไม่ได้สถที ไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นดูตัวเองศีล ส, สมาธิปัญญาดีขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะชาติก่อนทํามาน้อยเกิดมาเทียบไปนะเกิดมายากจนจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างนะลําบากกว่าจะตั้งตัวได้นานแต่อดทนภาคเพียนไปนะก็ตั้งตัวได้เหมือนเจ้าสัวทั้งหลายนะแรกๆมาเมืองไทยก็ยากจนสํานวนมีเสือผืนมอนใบอะไรนะตั้งตัวได้เป็นเจ้าสัว คนไทยมีไร่มีนาร่ำรวยนะคนจีนมารับจ้างหาบน้ำบ้างอะไรบ้างตอนนี้กลับข้างนะคนไทยเป็นลูกจ้างหมดลนะไม่ได้ฟลุ๊กไม่ได้บังเอิญแต่เพราะกรรมเขาขยันของเราก็เหมือนกันภาวนาไม่มีฟลุ๊กไม่มีบังเอิญมีแต่เรื่องกรรมต้องทำเอาเองพอไหวไหม้ม ใครไม่เคยมาบ้างมีไหม ย, ยกมือซิเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างไหมใครไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหมไม่มีเลยนะใครที่ศีลย่งดังพลอยอยู่มีไหม ย, ยกมือซิที่ศีลยัางดังพลอยนะยกให้มันกล้าหาญหน่อยเวลาทำผิดศีนกยกล้าทำเวละ การที่กล้าแสดงตัวนะกลาทำผิดเนี่ยเป็นความงอกงามเป็นความดีงามในอริยะวินัยของพระพุทธเจ้านะอย่างพระทําผิดศีลสารภาพถือเป็นความงอกงามกล้าหาญอย่างน้อยรู้แล้วว่าไม่ถูกนะพวกเราเกินครึ่งศีลยังไม่ดีพอนะคนไหนที่จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวหลง หลงยังไงหลงมันก็มากกว่ารู้อะเนาะรู้ได้บ่อยๆ อ, อะมีไหมไหนรู้ได้บ่อยล้วมีไหมรู้ได้ถีทีสักหานาทีรู้ทีห้านาทีรู้ทีขนาดนี้มีไหมลองยกมือซิ ม, ม, มีอยู่หลายคนนะอเอาใครหนึ่งชั่วโมงรู้ทีหนึ่งมีไหมจักเยอะแล้วใครหนึ่งวันรู้ทีหนึ่ง ใครเดือนหนึ่งรู้ทีหนึ่งมีไหมหัดรู้บ่อยๆนะเนี่ยเราสํารวจตัวเองนะคุณจะทำอะไรเรายังบกพร่องอยู่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอย่าไป น, นอนเฉยๆรอว่ามันจะดีเองไม่ดีเองหรอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําเอาทั้งสิ้นเลยศีลยังบกพร่องอยู่สํารวจดูตัวไหนที่บกพร่องทําไมถึงบกพร่องบกพร่องส่วนใหญ่จะตามใจกิเลส สีน์ก็เลยบกพร่องค่อยๆสำรวจไปทำใจเข้มแข็งไว้อดทนไว้อย่าทนไม่ได้กับแรงยั่วของกิเลสไปรู้ทันจิตใจไปกิเลสมาเรารู้ทันมาเรารู้ทันสีล์มันจะค่อยงามขึ้นรักษาศีลไม่ได้รักษาที่กายวาจาหรอกแต่ต้องรักษาที่ใจมีสติรักษาจิตไปเรื่อยนะสีลจะงามขึ้นมาเองแล้วก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว อย่าปล่อยใจล่องลอยคิดอะไรเรื่อยเปล่อยไปทั้งวันทั้งคืนเสียเวลานะคิดไปแป๊บเดียวก็หมดไปวันหนึ่งคิดแป๊บหนึ่งหมดไปเดือนหมดไปปีผ่านเร็วมากเลยใครรู้สึกว่าปีหนึ่งสั้นลงบ้างรู้สึกไหมเนี่ยเครื่องวัดความแก่นะรู้สึกปีหนึ่งแป๊บเดียวเนี่ยแก่มากเลยเราสำรวจตัวเองสำรวจไปได้วยอะไรที่ยังบกพร่องนะนานๆรู้สึกตัวทีเองใช้ไม่ได้ต้องช่วยมัน พุทธโธไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทัน ห, ทหรือจะดูท้องพองยุบหรือจะขยับมือทําจังหวอะอะไรก็ได้แต่จิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้ทันต่อไปมันจะไม่หลงนานไหลายแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะหลวงพ่อหัดมาทีแรกดูจิตนะวันหนึ่งเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนเห็นท่านสอนไปดูท่านสอนเห็นท่านขยับมือเนะี่ยหลวงพ่อเทียนขยับแล้วรู้สึกตัวนะ ลูกศิษย์ท่านคารวานะน่ะตอนนั้นท่านสอนคา ร, ราวะขยับแล้มันก็เลื่อยเปื่อยไปหมดนะพวกหนึ่งก็เครียดเลยเพ่งเอาเพ่งไม่ใช่ไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเยเตียงขยับแล้วรู้สึกหลวงพ่อก็ไปนั่งเล่นบ้างขยับแล้วรู้สึกบ้าง น, นั่งเล่นอยู่แป๊บเดียวอีกวันหนึ่งเดินอยู่ริมถน น, นเห็นเพื่อนเดินอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งไม่เจอนานละดีใจดีใจลืมตัวเองไม่รู้ว่าดีใจลืมตัวจิต ก้าวขาไปจะข้ามข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนนะเพราะขาเคลื่อนเท่านั้นร่างกายเคลื่อนไหวนะั้นเราเคยฝึกอย่างนี้มาแล้วร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนะี่ยรู้สึกตัวเลยงั้นทํากรรมฐานขึ้นสักอนหนึ่งนะแล้วจิตหนีไปคิดจิตหนีเคลื่อนไปรู้ทันพุโทโธไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปรู้ทันอย่างเงี้ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆมันจะไม่หลงยาวถ้าหลงห้านาทีเนี่ยยาวมากนะห้านาทียาวมากนะนวกนะจวต้องสั้นกว่านั้น พยายามฝึกให้ได้เวลารถคว่ําจะตายอะไรอย่างนี้นะฝึกให้ได้เร็วๆถ้าช้าไปไม่ทันงั้นอย่าให้หลงนานจะไม่หลงนานอยู่ๆมันไม่ได้ต้องฝึกต้องทําฝึกให้มีศีลก็มีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกับจิตฝึกให้มีสมาธิก็ทํากรรมฐานสักอันหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทัน จะได้สมาติตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยค่อยๆดูกายดูใจมันทํางานไปแยกธาตุแยกขันธ์ถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกนั่งไปเรื่อยแล้วดูไปร่างกายที่นั่งอยู่วิ็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ ด, ดูอยู่ก็หัดแยกมันไปเรื่อยมันนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็ดูไปอีกร่างกายมันนั่งอยู่ทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเพราะงั้นมันไม่ใช่ร่างกายแน่นอนเลยดูลงไป แล้วมันไม่ใช่จิตด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอมันปวดมันเมื่อยมากๆนะใจชักกระสับกระสายทุรนทุรายแลนั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอัมพาตนั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวเส้นเอ็นจะพลิกอะไรต่ออะไรความกังวลความทุรนทุรายมาเกิดที่จิตแต่เดิมจิตไม่ได้ทุรนทุรายพอปวดมากๆเข้าจิตใจทุรนทุรายเพรานั้นแสดงว่าความทุรนทุรายกับจิตเนี่ยคุลาันกัน มันมาทีหลังนะจิตมันเป็นคนรู้อยู่ก่อนนะความทุรนทุรายมันเพิ่งแทรกมาทีหลังงั้นไม่ใช่จิตหรอกเนี่หัดดูไปนะในสื่อก็จะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตเวทนาคือความสุขความทุกข์ทั้งหลายในร่างกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยทั้งหลายในจิตใจก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ร่างกายด้วยสังขารคือความปรุงต่างๆก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาเป็นคลาวลแล้วก็หายไป เฝ้ารูเฝ้าดูไปเรื่อยนะต่อไปเห็นกระทั่งจิตก็ไม่ใช่จิตนะถึงจุดหนึ่งจิตไม่ใช่จิตแต่ถ้าเมื่อไรเห็นจิตไม่ใช่จิตนะใกล้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ละตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกตอนนี้แค่เห็นว่าจิตเกิดดับการที่เห็นจิตเกิดดับก็สะท้อนแล้วว่าจิตไม่ใช่ตัวตนถาวรนะไม่ใช่อมตะธาตุอมาตะธรรมเป่งของเกิดดับได้เห็นแค่นี้ก็เป็นโสดาบันได ส่วนเห็นจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ม่ใช่ไม่ใช่จิตนันเป็นภูมิของพระราหันท่านจะเห็นกันพวกเรายัางไม่เห็นเนาะท่านนี้ก็พอนะนิมนต์เลยครับนิมนต์